ที่จะเข้าสู่กรุงเทพได้ไม่ใช่ว่าทางอุดรทางเดียวแต่นวัตท่านจะว่ามรคคือขนทางแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปวาจากัมมันตอาชชโววาจโมสติส ม, มาธิในมรคแปดนั้นมรคไหนสำคัญสรุปแล้วก็คือม 8, รคแปดรวมกันแล้วมีสาม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 มักแปดมันเป็นรวมเป็นข้อสัมมาทิฏฐิคือปัญญาสัมมาสังกปรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปวาจากัมมันโตไอชีโวอันนี้เป็นศีลวายโมสติสมาธิอันนั้นคือสมาธิทำจิตใจให้มั่นคง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 มีความตั้งใจมัน่นมีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนมีสมาธิในจิตใจแล้วก็มีปัญญาคลี่คลายไม่เหนือปัญญาไปได้เพราะนั้นให้พวกเราภาวนานะ่ยนี่แหละกิเลสไ ม, ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวใจของพวกเราโลภโกโรธหลงไม่อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นแหละมักผลผนิพพานมักมามักก็ดีผลก็ดีก็อยู่ที่ใจของพวกเราเีกเช่นเดียวกัน